ทาตุปฏิกูระปัจจเวคณะปาธะอนมยายังทาตูปจเวคณะปาทางมนามาเซย่าทาปาจยางังเปวาอาตมานังทาตุมัตเมเวตางสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่า น, านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองเนตรยาทิทังจีวรังตะทุป ป, ปุลจะโกจะปุขโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและบุคคลผู้ใช้ส้อยจีวรหั น, นทาตุมาตะโกเป็นสักว่าท่าตามธรรมชาตินิสัตโต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 ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตวะครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แลว้วอติวิยาชิกุชนิยานิทายันติยอมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาถาปัจจยังเปรอะมัตตานางทาตุมัตเเมเวตัสิ่งเหล่านี้นี่เป็นศักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่องนี้ยาทิทางปินดปาตตทุปปุญชโกจัปุคาโรสิ่งเหล่านี้คือบินด บ, บาต และบุคคลผู้บริโภคบินดาบานั้นธาตุมัตตโกเป็นสากะธาตุตามธรรมชาตินิสตโตมีได้เป็นสตวะอันอยั่งยืนนิชโวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่วางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน สพัพโภปัญายังปินดาปะโตอาจิคุชนิโยก็บินระ บ, บาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิคุชนิโยชายติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาทถ้าปัจจะยังปวัตมานาังาธาตุมัตเเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิรตยาทิถังเซนาสนาตะทุป ป, ปุญชโกจะปุคโล สิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะและบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนานทาตุมั ต, ตโกเป็นสากว่าธาตามธรรมชาตินิสตโตมีได้เป็นสัตวะวอันยั่งยืนนิชโวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล สุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาภานิพณะอิมานิเสนาสนานิอจิคุชนิยานีก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่ไมเป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตตวะครันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว อาตีวิญาชิกุจนียานิชายันตีย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาถาปัจจะยังปวตามานังธาตุมัตเมเวตาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจใจอยู่เนืองนิร ยาทิทางคิลานะปัจปจยาเภสัชปริคขาโลตทตุปะมุญจะโกอะปุขาโลสิ่งเหล่านี้คือเภสั์บริคฐานอันเกื้อกูลแก่คนไขและบุคคลผู้บริโภคเภสั์บริคฐานนั้นธาตุมัตะโกเป็นสักว่าธาตามธรรมชาติ นิส ต, ตุลมีได้เป็นสัตว์วะอันยั่งยืนนิชิวมีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญยวุว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาโพปัายังกิลานปัจจยเพสัจจะปริคาโลอาจิคุชนิยน ก็ขิฬานาเพศสัสบริขารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตตวารัานมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิญาชิกุชนิโยชายาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน